ขอความสุขความเจริญจะงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่ า, หายหเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอสับพิสูจน์คือสูตรที่ว่าด้วยการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษเป็นคำกล่าวของกลุ่มเทวดาเจ็ดร้อยตนด้วยกันที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า นัปเปชติตตวันก็เป็นการกราบทูลในลักษณะเสนอเทียบเคียงข้อเสนอของท่านกับพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบหรือไม่ที่ท่านเสนอมาเนี้ยมันเป็นการเสนอตามความเห็นตรงของท่านคือเป็นสัมผัสตรง ที่ท่านได้สัมผัสมาด้วยตัวเองด้วยการตายจากคนที่เรือล่มแล้วก็มามเกิดเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดาวดึงผลของการสมาทานศีลจากอุบาสกท่านหนึ่งก่อนที่ตัวเองจะจมน้ําตายกรการรักษาศีลของท่านเหล่านี้ที่จริงเป็นระยะที่สั้นมากแต่ประเด็นนี้สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่า การรักษาศีนั้นเป็นอาสันกรรมคือกรรมไม่จวนจะตายโดยสภาพจิต ท, ที่ผ่องใสท่านก็บังเกิดในสุคติผลตะบององประกอบร่วมอื่นๆเนี่ยก็ยจะเห็นว่ากิเลสท่านจางลงปริมาณบุญระดับศีนเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้น จิตใจของท่านก็ผ่องใสขึ้นแล้วข้าสูตรที่ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุกติเทวเวลาตนแรกได้กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลทราบธรรมของสัตว์บุรุษแล้ว มีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษอันลาบมุกเลย่ข้อนี้จะเราฟังคล้ายๆกับไปหยุดอยู่ที่ฟังแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีการปฏิบัติตามด้วยเาะคำว่าครบผาสมาคมกับสัตว์ประุษเนี่ยคือบางครั้งทรงแสดงรูปมาเป็นกระบวนการทางจิต คือหนึ่งเราต้องอยู่ในประเทศที่เหมาะควรคือมีสัตบุรุษอยู่ในสถานที่ด้านสองเราก้องคบหาสมาคมกับสัตบุรุษหรือเข้าหาสัตบุรุษแล้วก็สามต้องฟังธรรมของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านผลผลจริงๆมันเป็นไปตามผลของกรรม พฤติกใดใครก่อคนนั้นก็รับผลกรรมไปการขบหายสมาคมกับสัตว์บุรุษการนั่งใกล้สัตว์บุรุษการฟังธรรมของบริษัทบุรุษนั้นเป็นปัจจัยเสริมที่นำไปสู่การรีบัิตามคำสั่งสอนของสัตว์บุรุษคำสั่งสอนในที่นี้ก็คือสินห้าผลคุณธรรมของสัตว์บุรุษในที่นี้ที่จริงก็เน้นที่ศินห้า ต้องฟังอาจจะตั้งข้อสังเกตรหรือสงสัยไว้ทำไมเจอสีนหน้าบ่อยมันต้องบ่อยนะฮะเกี่ยววิถีของคนดีทั้งหลายในโลกนี้จะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามแต่พฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวา จ, จาเขาจะต้องไม่นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและนําความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่น นั่นคือการเคารพสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของบุคคลอื่นเมื่อเราต้องสื่อสารกับเขาเราต้องสื่อสารที่เป็นคําสัตว์คําจริงคําส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีมีความไพเราะอ่อนหวานแล้วก็เป็นคําที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ฟังในขณะนั้นๆ ผลนี้จึงปลายเป็นทั้งสิทธิแล้วก็เป็นทั้งศีลเลพเสรีภาพแล้วก็เป็นทั้งศีลแล้วก็เป็นทั้งธรรมะเพราะการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างมีสิทธิอย่างเคารพสิทธิแล้วก็มีเสรีภาพได้นั้นคนจะต้องอยู่ในธรรมะซึ่งอาจจะเป็นระดับกฎหมายอาจจะเป็นระดับจรีต อาจจะเป็นระดับวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นระดับศีลหรือระดับธรรมแต่สรุปว่าทั้งหมดมันเป็นกระบวนการของธรรมะโดยเจเนว่าสังคมไทยนั้นจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะเกิดมาเกิดมาในประเทศนี้ก็เขาไม่น้อยนะฮะเจถึงสามปีเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการเรียกร้องกัน แต่ก็จริงแล้วเราก็ไม่เครารพกันคือใช้สิทธิ์ทีก็ตัวเองในการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นโดยอ้างความชอบธรรมในแง่มุมต่างๆเราเรียกร้องสมานฉันน์แต่เราก็ไม่เครารพสิทธิของอกันและกันเราต้องการสิทธิเสรีภาพของตนเองแต่ก็ไม่ให้เสรไม่เครารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ผลผลพวงจากการมีศาสนาในหัวใจเนี่ยซึ่งแต่ว่ากันด้วยความจริงแล้วถ้าระดับศินห้าเนี่ยจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามเรียงลำดับอย่างไงก็ตามมันก็มีอยู่ในทุกศาสนาโดยเฉพาะศาสนาที่คนไทยนับถือซึ่งมีอยู่ห้าศาสนาเป็นอย่างน้อยนะครับ พ่รัฐรปนูรับรองไว้เวลานี้รัฐรรนูญฉบับนั้นก็ยกเลิกไปแล้วนะฮะศาสนาที่เป็นทางการเฉพาะเวลานี้จริงๆแล้วก็คือพระพุทธศาสนาศา ส, สนาอื่นเป็นศาสนาที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นศาสนาหลักหรือผู้ตรงๆก็คือศาสนาประจำชาติ คำศาสนาประจำชาติเราต้องเข้าใจนะฮะว่าผู้ที่รับสั่งคำนี้เป็นครั้งแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเมืม่อพศ2 5 0 0 2499เมื่อเดือนตุลาคมตอนที่ทรงประกาศแก่ประชาชนในการจ ะ, สะเสด็จออกพนวดตึกเวลาห้สิปีแล้ว ตอนนี้ก็ห0สบาทแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เรียกหรอกาศาสนาประจำชาติเพราะว่าถ้าพูดถึงาศาสนาในสังคมไทยก็คือพุทธาศาสนาส่วนสังคมที่นับถือศาสนาอื่นเขาก็หมายถึงาศาสนาที่เขานับชื่อ ในการต่อมาทันเดงที่เราไปเรียกคำว่าพระพุทธศาสนาก็ที่จริงคำว่าพระพุทธศาสนานก็เรียกประมาณสักปศศ .2,500 คนที่เ ร, เริ่มเรียกคำนี้ก็คืออาจารย์สุชีปุญญาณุภาพซึ่งก็เป็นเลขาอนุการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีการเ ร, กเริ่มสร้างพุทธมนทน สมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเพราะงั้นการเรียกพระพุทธศาสนาแต่ก่อนเนี่ยเราเรียกศาสนาเฉยๆบางทีก็เรียกศาสนาพุทธหรือบางทีก็เรียกพุทธศาสนาแต่เราไม่ถึงกับเรียกศัพท์คําว่าพระพุทธศาสนาการนี้จึงเป็ น, านการได้ทีหลังเหมือนกันแต่เราเคารพความจริงในมิติทางประวัติศาสตร์มันก็คือเหตุผลนําประวัติศาสตร์ แต่ว่าตรงนี้เราก็มีปัญหาที่การไม่ใช้ประโยชน์จากการคบหาสมาคมกับสัตรรว์ปุรุขพยายามที่จะสร้างความขัดแยง้งแล้วก็มีการตร่อต้านมีการขัดขวางกันคือศาสนาแทนที่จะพูดนำเป็นพูดนำแห่งสันติสุขสันติภาพเนี่ยสันติธรรมเนี่ย คือศาสนาไม่สอนสันติธรรมเพ ะ, ะนันทุกดวงใจของมนุษย์จะต้องมีสันติธรรมอยู่ก่อนแล้วสันติสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดต่อเนื่องก็กลายเป็นสันติภาพคือเป็นภาวะที่สงบที่ต่อเนื่องแล้วก็แพร่กระจายออกไปตํานองการแพร่กระจายของความเย็นความร้อน หรือแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นของมันแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นแพร่กระจายออกไปโดยลำดับตัวนี้มันก็กลายเป็นกระบวนแล้วก็พื้นฐานสำคัญเนี่ยเขาเรียกคือปุเพกตะปุญญตาคือแต่ละคนนั้นจะต้องมีบุญกระทาไว้ในการก่อน แต่การปฏิบัินั้นไม่ใช่เยอะแยะแต่ท่นานใช้ับว่าอัตตสมาป น, นิชิคือต้องตั้งตนไว้ในทางที่ชอบด้วยตนเองตัวนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนจะรับผิดชอบตนเองสัตบุรุษก็ทำได้เฉพาะการบอกก็บอกอย่างเดียวสัตบุรุษก็รุนาดางอะไรไม่ได้เหมือนกันจะ ต, ต้องเข้าใจนะฮะว่า ผลตั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุที่คนคนนั้นกระทำขึ้นผลผลมันเกิดขึ้นจากใครก็คนนั้นเป็นผู้กระทำผลผลเกิดขึ้นที่ใครเนี่ยคนนั้นเป็นผู้สร้างเหตุผลผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการคารอผาสมาคมกษัตริย์บุรุษเนี่ยเทวบุตรเหล่านี้ท่านสัมผัสได้โดยตัวของท่านเองท่านเห็นพรจะจะในขณะนั้นนั้นแหละ มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคือจากคนกาลังจะตายอยู่ในมาสมุดแล้วพอตายปั๊บเนี่ยกลายเป็นเทพปะบุษเนี่ยมันเป็นการย้ายจากริมถนนขึ้นอยู่บนปราสาทเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากแล้วพอผูกโยงเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามันมาจากการข้อาสมาคมกษัตริย์บุรุษที่ที่ปัญหาสาคัญอยู่ที่การผูกโยงว่าเราสามารถจะผูกโยงได้ขนาดไหนนานมาแล้วนะฮะมีเด็กผู้หญิงเล็กๆสองคนเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นทหารเป็นนายทหารผู้ใหญ่ไปแ้วมาควังเทศตั้งแต่เล็กๆกมากับคุณตา คุณตาคุณยายเลยมากับคุณแม่ต่อมาเธอไปเรียนในโรงเรียนคริสนะฮะแล้วก็ถามมาเขาสอนในอาเมนไหมก็บอกว่าสอนอาเมนหมายถึงอะไรบอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเรื่องอะไรที่พระเจ้าให้อาหารบอหนูลองคิดดูซิ ว่าอาหารเนี่ยใครเป็นคนปรุงข้าวนี่ใครเป็นคนห่งแม่กระสารกับข้าวใครเป็นคนซื้อก็คือแมออ่ซื้อจากไหนก็ซื้อจากตลาดแล้วข้าวเนี่ยมันมาจากไหนมาจากพ่อค้าขกาวสารเพราะก็กระสารเอามาจากไหนก็เอามาจากโรงสี รุ่นเสออกมาจากไหนก็มาจากนาแล้วนานี่ยออกมาจากไหนก็เอามาจากการทํานาที่การทํานานี่ใครทําแล้วก็แกก็บอกกับชาวนาหนูดูสิพระเจ้าอยู่ตรงไหนพระเจ้าอยู่ตรงไหนที่ว่าหนูต้องขอบคุณพระเจ้านะี่ยเพราะพระเจ้าจริงๆคือพระเจ้าพ่อพระเจ้าแม่ใช่ไหม แกก็บอกว่าใช่แล้วก็เดือนนี้แกก็ยังว่างหยุดราชการแกเข้ามาฟังเทศอยู่นะฮะรู้สึกจะเป็นนายร้อยนายพันะะอะไรบ้างเป็นพันตรีอะไรเนี่ยเราก็ดีใจที่เด็กเด็กเจริญเติบโตะมาตั้งแต่เล็กๆ เ, เราคุยกับเขาตั้งแต่เล็กๆฝูงฝังวิธีคิดให้เขาตั้งแต่เล็กๆ ตอนนี้คุณปู่คุณคุณตาคุณยายก็ตายไปแล้วนะฮะก็มาก็พ่อก็แม่พ่อแม่ก็รู้สึกยากจะเสียนายุราชิการไปแล้วเพราะฉะนั้นผลตรงนี้มันก็อยู่ที่เธอปฏิบัติเองแล้วก็อาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันก็มาจากพ่อแม่ของเราเพราะรายการผูกโยกเนี่เป็นเรื่องสาคัญ เธอบุตรเหล่า น, นี้ถ้าโยงไม่เป็นเนี่ยแกก็คิดไม่ออกหรอว่าผลเหล่า น, นี้มันมาจากการที่ได้คบหากรัรสัตบุรุษคนหนึ่งที่ท่านถือเป็นอาจารย์คือก้อยใจไปชื่อเสียงเรียงนามในะอย่างไม่ได้ถามนะเพราะ ว, ว่ามันเร็วมากเร็วก็จมไปเลยลาดับนั้นเทวดาอื่นอีกได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรนั่นร่วมกับสัตบุุษ ควนทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลทราบ ธ, ธรรมของสัตว์บุรุษแล้วต้องฟังเราสังเกตฮะสามประโยคนี้ซ้มกันแล้วถ้าท่านบุคฟังไม่ลืมนะว่าเทวดาชุดนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายครั้งมาในสาธุสูตรพวกนั้นพูดเรื่องฐานโดยเฉพาะแล้วก็มาในสกิลสูตร เออพูดตอนที่พระเทวทัตไปกลิ้งหินลงมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหลายครั้งนะฮะที่ท่านหมากเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระสูตรที่เกียกรติเทวดาชุดนี้มีมีหลายสูตรที่กล่าวมาแล้วสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สามก็บอกว่าจะได้ปัญญาเพราะการคข้าผ่านสมาคมกับสัตว์บุตรหาได้ปัญญาแต่คนอันตพ่านอื่นไห ว่านปัญญาเนี่ยแปลว่าความรอบรู้หรือรู้รอบโดยปกติแล้วเราก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นโลกิยะปัญญาคือปัญญาในวิถีของชาวโลกแต่ตามปกติแล้วการพัฒนาปัญญาในวิถีการศึกษาของชาวโลกเนี่ยความรู้สูงขึ้นความรอบสูงขึ้น แล้วมาณะความถือตัวก็จะสูงขึ้นอหางการฮะรู้สึกว่าเราเก่งเราดีเราสามารถเรามีความรู้สูงเรามีปริญญาก็จะเพิ่มขึ้นบรรก่อนเนี่ยลูกศิษย์เข้ามาขอทุนเพื่อเดินไปเพื่อ ขึ้งเครื่องบินไปสอบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ที่ประเทศอินเดียแล้วกลับมาก็ได้ลองสักถามเขาดูว่าอายุเท่าไรแล้วเขาบอกาอายุสามสิบห้าบอกว่าเก่งนะสามสิบห้านี่ผมเองตอนอายุสามสิบ้าผมจบปัญญาตรีแต่นั้นเองประบวุตอนหลังจะเลือกทหารแล้ว เขาบทตอนที่เป็นหนุ่มเพรา ะ, ะนันเขาสามดผ้าก็จบเป็นให ญ, ญเองแต่ว่าเขาก็ถ่อมตัวดีนะเขาก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งเร่งการทาวิทยานิพนธ์เนี่ยเกมาบอกว่าให้แปลเอกสารตรงนี้แหละออกมาเป็นภาษาไทยเพราะคุณเขียนเองเนี่ยจะแปลง่ายแกก็บอกว่า ก็แปล ง, ง่ายนะฮะเพราะว่าแกคิดเป็นไทยก่อนแล้วก็เกียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าปัญญาเราไม่มีมากพอเนี่ยเราคิดว่าเรารู้เยอะเป็นด็อกเตอร์ที่จริงไม่หรอกความรู้เนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยากจะใครจะรู้ทุกแ่ทุกบุมมีเรื่องเยอะที่เราไม่รู้ แล้วที่เรารู้เองมันก็ไม่ลึกหรือบางทีไม่กว้างบางทีก็ฉาบช่วยรู้แบบเป็ดแต่มันก็เป็นศินละปะในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพสร้างสถานะความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่บุคคลได้แต่ไม่ใช่ข้อยุติว่าคนจะเป็นคนดีเพราะบัณฑิตที่จบปริญญาทางโลกน จบอะไรก็ได้นะไม่ใช่ข้อยุติว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าได้ข้อยุติว่าเขาสอบผ่านในปริญญาชั้นนั้นนั้นแล่วควรแก่ปริญญาบัตรในชั้นนั้นนั้นแต่เขาเองจะต้องรู้ไว้ว่ายัางไม่จบมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปเคยตั้งข้อสังเกตนฮะว่าในอาณาจักรของความรู้ทั้งโลกเนี่ย คือถ้าดูแล้วเหมือนเราภายเรือภายเรือในคลองภายเรือในแม่น้ำภายเรือในทะเลสาภายเรือในทะเลคือฝั่งเนี่ยมันเริ่มไม่ชัดขึ้นไปเรื่อยอ ย, ยิ่งกว้างทเท่าไหร่ฝั่งจะไม่ชัดแล้วจนไม่เห็นฝั่งผลความรู้ในทางพระพุทธศาสนาคำว่าปัญญาเกิดเนี่ย กิเลสต้องลดถ้ากิเลสไม่ลดเนี่ยท่านไม่เรียกว่าปัญญาคือเรียกว่าปัญญาเหมือนกันแต่เรียกว่าไม่ฉับปัญญาเป็นปัญญาที่ผิดเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโลภโทสะโมหะมันเพิ่มตามก็ยังนึกถึงถึงคนสมัยก่อนนะ แล้วก็นึกถึงเออประเทศต่างๆในสมัยก่อนเออมันก็มันก็คือคือกันนะนะคือวันนี้จะมีเมียมากมีฆ่าทาตปบริวารเยอะมากแล้วก็เียลี้ยงดูก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นั่นก็แสดงเห็นว่าโลภะท่านเยอะแล้วก็คนมากเนี่ยทำให้โทสะมันเยอะแล้วก็ท่านจะมี อารมณ์นี่ไม่ค่อยปกติคือจะเครียดเรื่องมันเยอะมากอย่างเวลานี้เราจะเห็นว่าเอกสารต่างๆที่เผยแพร่ออกมาทั้งญี่ปุ่นก็ดีทั้งจีนก็ดีทั้งอินเดียก็ดีทั้งเกาหลีก็ดีเอ อ, เ อ, อเอเชียเนี่ยมันแปลกแต่คนนิยม ม, มีเมีย ม, มากๆมีคาถาบริวารมากๆมันแสดงว่าแต่ท่านเหล่านั้นจริงๆแต่เราไปดูแล้วเนี่ย ก็ปัญญาระดับที่จะลดกิเลสเนี่ยท่านไม่มากเพราะถ้าหากว่าท่านลดกิเลสได้เนี่ยท่านไม่ตามใจตัวเองขนาดนั้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็เอารัดรูปเรียบสังคมอ่ะคือบ่ายยังมีความรู้สึกแล้วบวชมาจนเดียเ๋ยวนี้ไม่มีสั ม, มเณรอุปถาไม่มีพระดูแลไม่มีพระอุปถา คือเรามีความรู้สึกเขาบวชมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนนะเราเป็นใครเดี่ยวลูกชาวบ้านมาอุปถามเราอะมาดูแลเรา่แถ้าเจ็บป่วได้ปวดก็ไม่เคยเรียกใครมาช่วยนะเราก็ไปโรงจยบาลเด็กอะไรไปช่วยก็ไปไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรใครไปเยี่ยมก็ไปไมาเยี่ยมเราก็ไม่ว่าอะไรมันมีความรู้สึกว่าเขาควรจะใช้ชีวิตเป็นอิสระ ของเขาตามที่เขาต้องการแต่ก็มีน้ำใจก็เป็นเรื่องของเขาเพรจริงๆรจึ ง, จ ง, จงแม้จะไปไหนต่างๆเนี่ยเขาต้องการคนอื่นตามปกติก็จะมีพระติดตามมีเนนติดตามแต่มาไม่มีนอกจากว่าใครจะขอไปดูด้วยไปเที่ยวด้วยมันเรื่องของเขาแต่ว่าก็ตั้งใจเอาไว้นะฮะว่าจะตลอดไป เราจะไม่มีคนมาห้อมล้อมเป็นบริวารรับใช้คอยนั่นคอยคอยรับใช้ตรงนั้นตรงนี้เราไม่เอามันก็เป็นเป็นมุมมองนะเป็นมุมมองของคนคนหนึ่งแต่เราก็เห็นนะฮะเห็นว่าลักษณะอย่างเงี้ยคือคนที่เป็นสัตบุรุษเนี่ยเมื่อเราเข้าหากับท่านเนี่ยเราต้องได้ปัญญาแล้วปัญญาในความหมายที่ท่านเน้นในที่นี้ หมายความว่าหลวพระต้องลดโทษะต้องลดราคะต้องลดเราลองนึกดูว่าท่านไม่สนใจความกลัวไม่สนใจความตายไม่ไม่กลัวความตายแต่ว่าไปสนใจที่จะเป็นผู้มีศีนให้ได้ก่อนจะตายเนี่ยวลท่านไปสนใจเรื่องตายเลยตลอดอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ย วันนี้เราจึงจึงจะเห็นชัดว่าผลซึ่งเกิดขึ้นจากคบผากับสมาคมกษัตริย์บุรุษนั้นท่านตั้งตนไว้ชอบคืออยู่ในศีลอยู่ในศีลมันก็อยู่ในธรรมอยู่แล้วนะครคอเราอย่าลืมว่าการที่คนงดเว้นจากปานาติบาได้เนี่ยอย่างน้อยเขาต้องละอายบาปหรือเมตตาต่อสัตว์หรืออจะถึงกรุณาต่อสัตว์ก็ ง, งดเว้นจากการ รุกราเมื่อสิทธิในชีวิตทรัพย์สินคนอื่นได้เนี่ยเขาก็ลดความโลภความโกรธลงไปเขาประกอบอาชีพเขาเลี้ยงชีพแต่ไม่ถึงกับผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเขาอาจจะมีครอบครัวแต่ไม่ถึงกับเป็นทาสของการมราคะเป็นทาสของการมราตัญหาไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของคนอื่นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนะฮะ เห็นว่ามันมันมีธรรมะอยู่ข้างหลังนั่นแหละเพราะยิงการงดเว้นการงดเว้นไม่กระทำเนี่ยก็คือการกระทาการงดเว้นไม่กระทาชั่วก็คือการกระทาความดีอย่างที่ยกตัวอย่างว่าการงดเว้นไม่เดินทางซ้ายก็คือการเดินทางขวามันไม่จำเป็นต้องพูดอะที่จิงการคบบัณฑิตเนี่ยคือการไม่เข้า่าน การคบพ่านก็คือการไม่ได้คบบัณฑิตแต่ในบงคนละสูตรทรงสอนให้เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นสูตรของสังคมคือการพูดถึงโทษของการคบผ่านเนี่ยมันเยอะแต่คนก็ยังคบพูดถึงโทษพูดถึงโทษกุญยาสิติดพูดถึงโทษขอ ง, บงของบา ย, ย ม, มุกพูดถึงโทษอะไรเนี่ยเราพูดกันเยอะแต่คนก็ยังทํา เพะะนันไอ้มงคลสูตรที่จริงมันเป็นวิถีสังคมบัตรคนต้องการมงคลเนี่ยมันต้องเดินอย่างเงี้ยแตจะเดินหรือไม่มันก็อยู่ที่คุณคุณเริ่มต้นที่ครบผ่านหรือว่าครบบัณฑิตละ่ะถ้าครบบัณฑิตมันก็เดินมาได้เกี่ยวกับจุดหนึ่งคือได้ปัญญาในการบริหารตัวเองในการคุ้มครองตัวเองสามารถป้องกันความชั่วขจัดความชั่วเพิ่มพูนความดีรักษาความดีของตนเอาไว้ ประการต่อไปนั้นจะเทวดาองค์ที่สามจะพูดเหมือนกันหมดประโยชน์ข้างต้นเนี่ยนะพูดแนวสาธุสูตรหรือพูดแนวของอะไรล่ะมงโคลสูตรแต่ละข้อเนี่ยมันจะเอตมังกลมุตตะมังเทียงแต่ว่าเอตมังกลมุตตะมังอยู่ข้างล่างไอ้นี้ข้อความการค้อผาสัตว์บุรุษเนี่ยมันอยู่ข้างบน บอกว่าบุคคลควรนั่งร่วมกับพวกสัตบุรุษควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลทราบธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกย่าลืมว่าการจะจมน้ําเนี่ยมันเป็นการพลาดพลาดสูญเสียอย่างแรงแม้แต่ตัวเองก็เอาไว้ไม่อยู่ไม่ตก ใจไม่ตื่นตระหนกไม่เศร้าโศกไม่พรั่นพรึงไม่หวั่นไหวแต่ว่าใส่ใจที่จะสมาทานศีลใส่ใจที่จะรับศีลได้ได้พวกชุดสุดท้ายคือชุดที่เจ็ดเนี่ยน้ำท่วมถึงคางน้ำท่วมถึงคอกว่าจะเสร็จนี่ก็ท่วมปากแหลก็อย่าลืมวาเขาอยู่ในเรือนะเรือมันก็ค่อยจม เรือค่ยจมแต่ถ้าหากว่าอยู่ในน้ำก็คงหายไปก่อนนะกคงสมาทานศีลไม่ทัน้นะเปิ้ลผลเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากการสมาทานศีลการคบหาสมาคมกษัต ร, ริย์บูษัต ร, ร์ให้ความมั่นใจคนประเภทนี้เขาเรียกว่าไม่กลัวต่อปรโลก คือคนเราในขอให้ทําความดีเถอะไม่ต้องไปสนใจมันตายมาไหนคือช่างมันมันก็ตายด้วยกันวันก่อนไปที่อีกหนึ่งนะฮะเจ้าภาพเขาเป็นสาชาติกันก็เกิดปีเดียวกันแต่ว่าเขาอ่อนเดือนกว่าก็ไปเจอกับหมอประจำนะฮะหมอเขาซักถามบอกว่าโรคบางอย่างมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกไม่เป็นไรหรอก เรารักษาไม่หายเราก็ตายไปทุกันยังไงมันก็ตายอยู่แล้วรักษาหายก็ตายไม่หายก็ตายไม่ต้องไปติดใจมันมากใช้กำลังใช้เรี่ยวแรงที่เรามีอยู่เท่าที่มีอยู่ทา ง, งานไปก็แล้วกันตายเมื่อไหร่เป็นปเรื่องของเขาแต่เราก็ตายแน่เพราะฉะนั้นอย่าไปติดใจมันมากเรื่องเหล่นี้หายก็มีไม่หายก็มีนะ โรคบางอย่างมันเป็นโรคหรือรังหรือโรค เ, เกิดแต่กรรมก็ปล่อยเข้าไปทีนี้เทวดาตนต่อไปเนี่ยบอกว่าบุคคลย่อมนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษควรนั่งร่วมกับพวกสัตว์บุรุษเหมือนกันนะควรทําความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษเหมือนกันอีกบุคคลควรบุคคลทราบธรรมของสัตว์บุรุษแล้วย่อมไพรโรดในถ้ำกลางแห่งใหญาไอันนี้คือจุดต่าง คำญาติในที่นี้ก็หมายถึงญาติคือผู้ที่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนคุ้คุนคุ้นเคยกั น, กนเพราะว่าญาติคือครอบครัวนี่ก็ไม่ไดเอามาหรอกมันอยู่ที่บ้านแั้วคำญาติมันก็มีอยู่สองประเภทญาติแปลว่าผู้รู้จักกันแต่นั้นเอ้งนะฮะการรู้จักกันมันก็มีสองอย่างก็คือดึงก็คือโดยโดยเชื่อสายโดยเชื่อสายที่เราผูกพันกัน แต่ช่วดีทีห่างยังไงก็ไม่รู้นะมันก็เป็นญาติกันนะเราก็ต้องยับยอมยอมรับเขากาเป็นเด็กป่าแต่เขาเป็นลูกผู่พี่มันก็คือลูกผู้พี่นะบางทีก็แก่กว่าแต่แมมันรับดับน้าเลยก็ต้องยอมอะมามีหน้าอยู่คนหนึ่งคือคุณตาเนี่ยมีมีมีค่อนข้างสาวนะ แล้วนาเนี่ยเยอะอ่อนกว่าม า, ามาเป็นเนนเขาก็เป็นเด็กว่ามาก็สอนหนังสือเขาแต่เราก็เกรงใจเขาอะคือเขาเป็นนาคือยังไงเขาเป็นนาเป็นน้องแม่อันนี้คือญาติเราไม่รู้จะว่ายังไงญาติอย่างหนึ่งก็คือญาติที่เป็นคุ้นเคยสนิทสนมกันเพราะนั้นก็คือญาติกันเจร้อยเลยก็ถือว่าญาติกัน เขาก็ไพโรดในท่ามกลางแห่งญาติคือรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางแห่งราชญาติเป็นเทว บ, บุตรภายใต้การห้อมล้อมของญาติตัวเองกูคุ้นเคยกับตัวเองบริวารตัวเอง ท, ที่รับสินร่วมกันแต่และชุดแต่ละชุดเนี่ยหมายความมันชุดละหนึ่งร้อยอ่ะมันก็กลายเป็นทั้งหมดมันก็เจ็ดเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดเจ็ดร้อยตนด้วยกัน ก, กเ็เราก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าคนดีมันก็รุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางญาติทั้งหลาย แต่ว่ามันก็อยู่กับสังคมอีกอะคือสังคมบางสังคมเนี่ยมันพูดยากแล้วก็เราก็นึกไม่ไม่ออกว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงอะคือถ้าเรามองภาพโดยรวมไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราเห็นได้อย่างชัดเจนมาว่าสังคมไทยเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งนี่มันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีมันต้องหาเรื่องทำลาย แล้วถ้าเราดูาเออมันก็แปลกนะอย่างชาวนาก็ทำนาขายข้าวเนี่ยจะถูกโจปลปรุนชาวสวนทำสวนพอพืชผลออกมากแล้วก็ขายพืชผลในสวนในไร่พอได้เงินมาถูกปล้นอ้าวแล้วก็เหมือนกันหมดเลยถ้าไม่ปล้นก็คือไปประกอบอาชีพเดียกันนะเพื่อแย่งส่วนแบ่ง เออคนมนุษย์มันก็ริษยาแข่งดีโลภะอย่างนี้เองเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าแก้ไขทั้งหมดไม่ได้มันแก้ไขได้เฉพาะจุดทันดเองอย่างที่มีคำถามมันก่อนเนี่ยถามเรื่องคุณเสพสิ่งเสพสิ่งเสพติดตัวเฮ้ยเราไม่รู้ใครเสพ แล้วเราออกวิทยุเขาก็ไม่ฟังออกโทรทัศน์เขาก็ไปดูเขียนหนังสือเขาก็ไม่อ่านเพรเรื่องนี้ก็เรื่อใจมันบอดมันไม่ใช่ตาบอดแต่าใจมันบอดเราจะพูดอะไรกับเขายากเพราะเราจะหวังจะเห็นเขาจเจริญรุ่งเรืองไพโรธในทรามกลางญาติพี่น้องเนี่ยมันก็ยากนะเพราะอะไรก็เราจะเห็นว่าเขาไม่นั่งร่วมกับสัตว์บุรุษ เขาไม่ทําความสนิทสนมกระโปรงสัตวรุษเขาจึงไม่ได้ทราบธรรมของสัตว์บรุษเห็นไหมเหตุมันไม่มีเหตุมันไม่มีผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถอย่าลืมมาทั้งหมดมันคือเหตุแต่ที่จริงเป็นปัจจัยเสริมไม่ใช่ตัวเหตุหลักตัวเหตุหลักเราฟังธรรมของสัตว์บุรุษแล้วเราต้องปฏิบัติตามธรรมของสัตว์บุรุษด้วย ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามธรรมของสัตว์บุรุษจะไปโทษสัตบุรุษไม่ได้มันก็เหมือนกับหมอให้ยามาเนี่ยหมอก็บอกชนิดของยามานะเวลาที่รับประทานจานวนที่รับประทานแต่ถ้าเรามาใส่ขวดไว้แล้วไม่รับประทานตามนั้นโรคมันก็ไม่หายมันไม่ใช่ความผิด ข, ของหมอ หมอสัญญาให้แล้วแต่เราก็ไม่รับประทานเองอจะว่าอย่างไงเพราะในตอนต่อไปในจะแท้ก็ความเหมือนกันนะครับแท้ก็ความเหมือนกันเหตุปัจจัยเหมือนเดิมเหตุปัจจัยสูตรเดียวกันและเหตุปัจจัยอย่างเนี้ไม่จะเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีนี้คือเป็นเหตุปัจจัยสากลคุณเป็นใครอยู่ส่วนใดของโลกไม่สําคัญหรอก ปัญหาว่าคุณคบคนดีไหมในทีน่นี้ท่านพูดถึงนั่งร่วมนะฮะคือนั่งร่วมเพราะอยู่ในเรือด้วยกันแต่โดยทั่วไปก็คือการครบอะ่ะอันนี้คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์ที่เคยบอกให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเขาแจ้งคำอย่างเงี้ยอ๋อเขาก็นั่งกันนี่นะเขานั่งกันมาในเรือก็นั่งกันมาในเรือ แล้วก็เรือมันเกิดจมขึ้นมาโดนคลื่นเฟินเขาก็พูดตามชี้เขาสัมผัสแต่ ต, ตัวการใหญ่เนี่ยมันอยู่ชี้การทราบธรรมของสัตว์ุรุษเพราะไอ้สภาพใกล้เกรือนกินด่างเนี่ยมีเยอะประเทศไทยเราอย่างที่บอกว่าถ้าคนไทยได้ฉุกคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้นำทางการบริหาร อันแปลกแต่จริงคือาศาสนาจักรก็ไม่เอาเรื่องอาณาจักรยิ่งไม่รู้เรื่องเราครอบครองอัญมณีที่ล้ำค่าอยู่คือาศาสนาธรรมอย่าลืมว่าปัญญาเป็นรัตนาของนอรสฤษณ์แล้วปัญญาในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราเข้าถึงได้เนี่ย สังคมจะเข้าสู่สันติโดยไม่ต้องเรียกสมานฉันเสมอเดฉันจนอะไรลรอแต่เวนี้มันมันมันพูดคนละเรื่องนะฮะพูดยังทำอย่างแล้วคิดอย่างแล้วเราเรียกร้องผลซึ่งเกิดขึ้นจากความดีแต่เราพูดดีนะฮะแต่เราทำไม่ดีเราคิดไม่ดีพูดแล้วก็หวานเพราะเลย แต่ว่าจริงๆแล้วความคิดยังมีความอาคาิมาร้ายแล้วก็มีการใช้อำนาจเกินหน้าชี่พรมาเคยถามรองนาะยกรัฐมนตรีสมัยนั้นสมัยจอมพทถนอมบวชคือต่นไปขอร้องให้พระจอมพทถนอมเนี่ยออกนอกประเทศตอนกลาคืนนี่ผู้ใหญ่ขึ้นพูดกันหลายองค์ มาไม่ได้เข้าไปก็ป ร, กรากฏไม่สำเร็จรุงเช้าเขาก็มายกทีม า, ามาไปเตรียมรออยู่แล้วไปขอกราบสมเด็จตอนนั้นยังไม่เป็นทังกร า, ราบอกขอโอกาสให้ผมพูดคนเดียวแลว้วพรักาเราไม่พูดเราถามเชย่ใช่ชปฏิบูชาคือถามให้ตอบ ถามโดยสรุปว่ารัฐบาลมโนสิทธิอะไรมาห้ามคนไทยที่เกิดในแผ่นดินไทยเป็นคนไทยโดยกําเนิดแม่ข้าวประเทศเนี่ยหรือขับไล่ออกประเทศเนี่ยคุณใช้สิทธิอะไรคุณมีอํานาจอะไรคุณมีหนา้าที่เป็นอะไรคุณมีสิทธิอย่างนั้นหรือไม่เพรา ะ, ะคุณจะเห็นว่าอํานาจก็ไม่มีสิทธิก็ไม่มีหนา้าที่ก็ไม่มีสถานะก็ไม่มีแล้วคุณไปใช้ได้ได้ไง คุณไม่เคารพสิทธิของคนอื่นนะแต่ให้คนอื่นเคารพสิทธิซึ่งไม่มีของคุณอนะ่ะมันไม่ได้พุทธายอมนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดในการต่อสู้เรื่องการเข้ามาของจอมพลถนอมในวันนั้นก็จบกันพออีกสองวันนะฮะอีกสองวันก็เกิดเหตุการณ์ฆ่ากันที่นครปฐมแล้วก็ต่อมาก็เกิดหกตุลาขึ้นเราก็ไม่ได้เกี่ยวแล้ว ทางวัดไม่เกี่ยวอะไรสบายไปนละคือนี่นี่คืออะไรอะคือเราไม่ได้ใช้ธรรมะในขณะที่เราเรียกร้องธรรมมาพิบาลเนี่ยเราไม่ได้ใช้ธรรมะมันอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีก็ได้แต่เราคิดเรามีเพราะว่าจากพฤติกรรมจากการกระทาเนี่ยมันแสดงไม่มีเพราะธรรมมาพิบาลเนี่ยต้องเริ่มดีใจคน ถ้าใจคุณยังไม่มีสันติธรรมอยู่ข้างในเนี่คุณทำมาพิบาลไม่ได้หรอกบริหารจัดการในธรรมะไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะบริหารจัดการและธรรมะไปกระเกณฑ์คนอื่นไม่ได้มันเป็นเรื่องที่คนคนนั้นจะต้องสํานึกด้วยจิตตัวเองแล้วเขาปฏิบัติเองเห็นไหมว่าอุบาสกนี้ก็ทําได้แค่ให้ศีลนะแต่การรักษาศีลจน ดับไปกับศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่เขาทำและท่านก็บอกว่าทราบธรรมของสัตว์บุรุษแล้วย่อมไปสู่สุคติอันนี้ท่านท่านท่าน ท, า น, ทานพิสูจนด้วยตัวท่านเองเห็นไหมเป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ตรงอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าเวลาพูดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอสุรกาย พระพุทธเจ้าจะแสดงแก่พระอาหารหันต์ที่มีทิประจักสุหรือเทพบุตรเองเทพธิดาเองหรือพวกเปรตเองจึงไม่ได้พูดเรื่องรัฐที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ว่าเออที่ตั้งนรกมันอยู่ที่ไหนที่ตั้งสวรรค์อยู่ที่ไห น, นการไปนับไปสันชีพนรกกาลสุตตะนรก รหรืว่านารกหมารระนวัตตาตาตปนาลรมหาตาปนารกอะไรอะไรเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นทีหลังแต่ว่าถ้าเราดูในพระบาลีเนี่ยไม่เคยพบบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นห่างจากโลกเท่านั้นเท่านั้นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้บอกแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาเกิดที่สุขติแล้วเขามายืนยันสัมผัสตรงของเขา ถามาถ้าเราเชื่อมันจะเสียหายเลยไหมมันไม่เสียหายเลยเลยเพราะว่าสวรรค์นั้นมาจากผลของการคบหาสัตว์บรุษการทราบตรมของสัตว์บรุษการปฏิบัติตามธรรมของสัตว์บรุษเราก็เป็นคนดีด้วยตัวเราในชาตินี้แล้วก็ตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโรงสวรรค์กันเทศวัน า, า, าทิตยกัลตมาธิวัตววรสิเวสพิหาร หลายเดือนแล้วนะฮะประมาณสามสามสี่เดือนทุกอาชีพจะเทศเรื่องธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาในปัจจุบันเป็นเทวดาในแต่ละขนาจิตแล้วก็สะสมคุณธรรมความดีเหล่านั้นจนเป็นเรือนใจเป็นฐานใจเป็นหลักใจแล้วก็ทําให้คนเราตายไปเกิดเป็นเทวดาก็ แสดงอยู่นานนะเพราะว่าธารรมะลรดิจริงมันข้อไหนก็ได้นะเอาข้อไหนก็ได้เพราะว่าผลระดับโลกียธรรมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าจะรับสั่งไว้เป็นสามตอนนะฮะคือคือคือผลจากกุศลเนี่ยมันมันตั้งแต่เกิดเป็นคนมาเนี่ยมันก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะใช้คำรว ม, รวม เบอกหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์หรือเบอกหน้าแต่กายแตกย่อมอุบัตในพรหมโลกหรือว่าดับอสาาวะแล้วก่อ น, นิพพานเห็นแมมมันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือพักปลณิพพาน พรประเด็นตรงนี้อย่าลืมว่าสืบเนื่องมาจากการคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษพูดไงว่าคนดีเราอาจจะเรียกว่าบัณฑิตอาจจะเรียกว่านักปราชญ์อะไรก็ได้แต่ว่าทั้งหมดบัณฑิตทำได้แค่ชี้บอกถ้าเราไม่ทําตามท่านเนี่ยผลมันก็เกิดเฉพาะแค่ท่านเองแต่เราทําตามท่านผลก็เกิดขึ้นแกเราตามที่เราได้กระทามากหรือน้อยมันอยู่ที่ตัวเราเอง ไม่ได้อยู่ชี้ตัวสัตว์บรูฑทัโดลบรรดาให้ประสิทธิประสาทให้เพราะว่าการดลบันดาล น, นั้นจะทําได้ก็ด้วยกรรมที่คนกระทาเอาไว้แต่กรรมบันดาลก็มาความเราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วก็บันดาลหรกรรมดีกรรด็บันดาลให้ตรงนี้เป็นเรื่องกรรมดีบรรดาลให้บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ต้องฟังเท่าไหร